พระมหากัสสปะอธิบายว่าเพราะพระอริยะสาวกทั้งหลายเนี่ยรักการฟังธรรมพระอริยะทั้งหลายยินดีในการฟังธรรมมีศรัทธาพอใจที่จะฟังธรรมเพราะฉะนั้นได้ฟังคําของพระมหาโมคคัลลานะก็ไม่อ้างเลสคือไม่หาเหตุผลอธิบายว่าไม่ฟังอ่ะ น, นะเช่นคนที่อ้างเลสขี้เกียจฟังธรรมเขาว่าไงไปเถอะผมปวดหัวปวดหลังบ้างเนี่ยนะ ฟังแล้วก็คือมีเรื่องจะต้องทําจนได้นะหาเรื่องมาปฏิพานไหวพริบออกมาอย่างฉับพลันนะเอออันนั้นก็ยังไม่ได้ดทาอันนี้ก็ยังไม่ได้ดจัดการอันนั้นก็ยังยุ่งอันนี้ก็เยิงเป็นต้นเนี่ยก็เลยสรุปว่าไม่ฟังวังนั้นเถอะอันนี้ภาพพระมหากระสปะไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีเล่ห์มีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงแบบนั้นอะไรเลยพอฟังคําชักชวนไปฟังทำกลับมีใจยินดีกล่าวว่าอย่างนั้นท่านผู้มีอายุ ก็รับปากแล้วก็ลุกขึ้นสะบัดท่อนหนังตามพระโมคคาระณะไปเลยเนี่ยนะชวนกันง่ายนะชวนไปฟังธรรมนะนะก็เหมือนพวกขี้เมาทั้งหลายชวนกันไปเมาเนี่ยโอ้ยชวนกันง่ายนะบางทีงานบอกอ้ยยุ่งยุ่งยุ่งบอกดื่มเหล้าเหอะเก็บงานทันทีเลยนะไม่เห็นยุ่งเลยก็บอกเก็บได้แหมจะรีบไปไหนเขาว่างันนะแต่ถ้าธรรมดาทั่วๆไปนะบอกแม้งานทั้งเร่งทั้งรีบทั้งร้อนรอนรอนกวนกวายจะต้องเสร็จภายในวันนี้พรุ่งนี้ พอวักชวนกันไปเมาปั๊บโอ้ยมันจะลาหลังสักสองสามวันมันก็ไม่เสียหายเท่าไรหรอกนะเรียกว่าอะไรนะทำเป็นเหมือนกับยุนๆขนาดอะไรนะแหมทำเป็นง่ายไปเลยเนี่ยนะที่นายได้คือมันแล้วแต่ธาตุนะธาตุใครอะไรว่าดีมันก็ตัดเรื่องอื่นไปหมดเพื่อจะเอาสิ่งนั้นนะนะอย่างพระอริยะทั้งหลายท่านก็ถือว่าการฟังธรรมเป็นเรื่องที่ดี การฟังธรรมเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐท่านก็สละเรื่องอื่นไปฟังธรรมกันหมดนะ่ะเพราะท่านถือว่าฟังธรรมมีสาระมีประโยชน์แต่พวกที่เห็นว่าอย่างอื่นมีประโยชน์มันก็ไปอย่างอื่นก็สุดแท้แต่วิจารณญาณ น, น, นะใครคิดว่าสิ่งใดเป็นสาระใครคิดว่าสิ่งใดเป็นแก่นสารเนี่ยก็ยอมทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นก็ยอมจะตายก็ยอมเนี่ยนะ ก็เหมือนกันนักมวยเนี่ยนะสนใจเข็มขัดมากก็ยอมเจ็บยอมป่วยยอมตายเนี่ยนะให้เขาทุบสักขนาดไหนก็ยอมเพราะอะไรเพราะอยากได้ในสิ่งที่ตนอยากได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากได้สิ่งใดเนี่ยนะมันทุ่มเทบางทีก็แลกด้วยเลือดเนื้อแลกด้วยชีวิตทุ่มเทสละทุกอย่างเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็ใฝ่ฝันสําหรับภรรยาสาวกทั้งหลายท่านมีจิตใจใฝ่ฝันในการฟังธรรมนะ ฟังอริยสัจธรรมคำว่าฟังธรรมก็คือฟังอริยสัจธรรมเพราะท่านยินดีที่จะเข้าใจความจริงท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความสุขที่ได้ฟังความจริงและความจริงอันนั้นจะต้องนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุดคือดับทุกข์ความจริงที่สงบทุกนั้นจิตใจของท่านจึงน้อมไปเพื่อการฟังอริยสัจธรรมันก็เลยเดินตามพระโมคคัลลานะไปอย่างง่ายท่านบอกว่าสมัยนั้นท่ามหาเถระสองรูป เนี่ยนะคือพระโมคคลานะพระมหากระสปะรุ่งเรืองเหมือนดวงจันทร์สองดวงขึ้นเรียงกันหรือเหมือนดวงอาทิตย์สองดวงขึ้นเรียงกันเหมือนพญาช้างฉักทันสองเชือกเหมือนราชสีสองตัวหรือก็เหมือนเสือโคร่งตัวใหญ่สองตัวเลยเนี่ยนะก็ถือว่าอุปมาที่มันสุดสุดนะอุปมาที่สุดๆก็คือเนี่ยสองท่นเนี่ยยิ่งใหญ่มาก สมัยนั้นพระนรุทธเทระนั่งในที่พักกลางวันเห็นพระมหาเทระสองรูปไปยังสำนักของพระสารีบุตรเมื่อตัวเองก็แลดูโลกกระธาด้านทิศตะวันตกเห็นพระดะูเห็นดวงอาทิตย์กำลังลับป่าไปดูทิตะวันออกก็เห็นดวงจันทร์กำลังโผล่ขึ้นในชายป่าดูต้นสาละก็มีดอกออกบานสะพรั่งคิดว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถพระมหาเทระเหล่านี้เป็นพี่ชายของเรา พระพุทธาลานะก็เป็นพี่ชายพระหมหากระสปะก็เป็นพี่ชายเอาเถอะเราจะไปยังสำนักของพระธรรมเสนาบดีแสดงว่าวันนี้จะมีการฟังธรรมในใหญ่เป็นการฟังธรรมที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้มีส่วนในการฟังธรรมอันนี้เคิดว่ามีการฟังธรรมนัดพิเศษเนี่ยนะพลาดไม่ได้ก็ต้องไปแหละอย่างนั้นก็เลยลุกขึ้นจากที่นั่งไม่ต้องมีใครมาชวนหลักเห็นเขาไปฟังธตามก็ตามเขาไปแหละเพราะฉะนั้น ท่านก็เลยกล่าวว่าพระมหาโมกขลานะพระมหากระสปะท่านพระนุรุทธะเข้าไปหาพระสารีบุตรจุดมุ่งหมายก็ชัดเจนใช่ไหมเพื่อเข้าไปฟังธรรมนี่ยนะไปไปฟังธรรมกันบทว่าอุปสรรคกมิงโสความว่าพระมหาเถระทั้งสมรูปคือพระโมคขลานะพระมหากระสปะพระนุรุทธะเนี่ยนะสมรูปนั้นยืนเรียงกันรุ่งเรืองเหมือนพระจันทร์เหมือนพระอาทิตย์เหมือนราชสีเข้าไปในป่า เสร็จแล้วท่านท่านอนน์นั่งในที่พักกลางวันของตนเห็นพระเทเรทั้งสามรูปเข้าไปหาอย่างนี้แล้วก็เลยคิดว่าวันนี้จะต้องมีการฟังธรรมเป็นอันมากถือว่าเป็นนับพิเศษแน่เนี่ยนะกว่ากว่าคนบุคคลพิเศษระดับนี้เนี่ยจะมารวมกันเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเหาือนกันจะต้องมีการฟังพิเศษมันเราจะต้องมีส่วนในการฟังธรรมถ้าเราจะไปเราก็ไม่ไปคนเดียวเราจะพาพระเรวตะเพื่อนรักของเราไปด้วยเนี่ยนะ ไปไปคนเดียวเราต้องพาเพื่อนรักไปด้วยผลทั้งพระอนนท์พระเรวัตต์ก็เข้าไปหาพระมหาโมคขลานะพระมหากัสปะพระอนุรุทธะเทระผลทั้งหมดนั้นก็รุ่งเรืองรุ่งโรดเหมือนพระจันทร์สองดวงพระอาทิตย์สองดวงราชสีสองตัวเป็นต้นก็เลยไปรวมกันไปรวมกันอยู่ที่ไหนที่สำนักของพระสารีบุตร ในข้อสา0อยเจ็ดสิบหน้ายี่สิบนั้นกล่าวว่าพระสารีบุตรได้เห็นพระเรวตะและท่านพระอนนุ์กำลังเดินมาจากที่ไกลแล้วก็ได้กล่าวกับท่านพระอ น, นุนว่าท่านอ น, นุนจงมาเถิด ท, ท่านอนนุนผู้เป็นอุปทากของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอ น, นุนผู้อยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้ามาดีแล้วเนี่ยนะที่จริงแล้วทั้งห้ารูปเนี่ยนะที่เดินมาเนี่ย พระมหาสารีบทเลือกทักใครก่อนไม่ทักพระโมคคัลลานะไม่ทักพระมหากระสปะไม่ทักพระอนุรุทธะไม่ทักพระเรวตะน่าจะทักทายใช่ไหมท่านเหล่านั้นอรหันต์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะพระนน์เป็นพระโสดาบันอยู่คนเดียวนีนะน่าจะทักพระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์น่าจะทักพระมหากระสปะผู้เลิศทางทุดงบริวารก็เยอะน่าจะทักพระอนุรุทธะผู้มีตาที่บริวารมากมายหรือน่าจะทักพระเรวตะที่นักเพ่งชาญ แต่เลือกที่จะสนทนากับท่านพระอานนท์เป็นบุคคลแรกเนี่ยนะเพราะพระอานนท์เป็นพุทธอุปถาก็เลยชื่นชมว่าท่านอานนท์ผู้เป็นอุปถากของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านพระอนนท์ผู้อยู่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคเจ้ามาดีแล้วนะสาธุกระวัตต้อนรับเชื่อเชิญมาเถินีมนตเถะเหมือนกันทีนี้พระสารีบดีก็กล่าวว่าท่านพระอานนท์ ป่าโคสิงค์าสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมคืนนี้ราตรีก็เจ็บกระจ่างแม้แต่ไม้สาราก็มีดอกบานสะพรั่งทั่วต้นมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นทิพย่อมหอมฟุ้งไปท่านพระนนท์ป่าโคสิงคาสารวันจะพึงงามด้วยพิสุเห็นป่าไราแปลว่าป่านี่น่ารื่นรมดีเหลือเกินเนี่ยพระกลุ่มไหนสมควรที่จะอยู่ป่าแบบนี้ป่าแบบนี้เนี่ยนะ เหมาะสําหรับที่สุดกับพระภิกษุกลุ่มไหนแปลว่าพระภิกษุกลุ่มไหนจะทําให้ป่าเหล่านี้งดงามคือบางทีเนี่ย น, นะถ้าเอาพระภิกษุที่ไม่ดีก็เรียกว่าทําลายป่าใช่ไหมถ้าพระไม่ดีไปอยู่วัดนั้นวัดไหนก็ทําลายวัดนั้นพระไม่ดีไปอยู่ป่าไหนก็ทําลายป่านั้นไปอยู่ถ้ำไหนก like ็ทําลายถ้านั้นเพราะฉะนั้นป่านี้จะงามด้วยพระภิกษุเช่นไรภิกษุอย่างไรจริงจะทําให้ป่าเหล่านี้งดงามซึ่งพระษาริบทามความเห็นของท่านพระอานนุน์ อธิบายเพิ่มเติมที่บอกว่าป่าเนี่ยนะคำว่าป่าเนี่ยที่น่ารื่นรมมีอยู่สองอย่างก็คือ1ตัวป่าเองเนี่ยน่ารื่นรมอย่างที่สองเป็นป่าที่น่ารื่นรมของบุคคลหมายความว่าบุคคลเข้าไปรื่นรมในป่านั้นยิ่งอย่างยิ่งอธิบายว่าคําว่าป่าทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่น่ารื่นรมเพราะป่านั้นดารดาดด้วยต้นกากระทียงสาระจำปา เป็นต้นเนี่ยนะต้นไม้ก็มีร่มเงาหนาทึบเปล็ดดอกออกผลมีน้ําพร้อมแล้วก็ห่างจากหมู่บ้านพอสมควรป่าอย่างนี้ชื่อว่าป่าที่น่ารื่นรมอย่างที่ท่านกล่าวว่าป่าทั้งหลายเป็นที่น่ารื่นรมผู้ที่ปราศจากราคะแล้วทั้งหลายจักยินดีในป่าอันไม่เป็นที่ยินดีของชนทั่วไป น, นะพระทั้งหลายพระอริยะทั้งหลายยินดีในป่า ซึ่งต่างจากบุคคลทั่วไปไม่ยินดีในป่าเพราะอะไรเพราะผู้ปราศจากราคะทั้งหลายแล้วเนี่ยนะปราศจากความกำหนัดไปอยู่ในป่าเพราะท่านเหล่านั้นไม่สแสวงหากามส่วนบุคคลผู้สแสวงหากามมีจิตใจหมกมุ่นอยู่ในกามรังเกียจตาเนี่ยนะก็แล้วแต่อัธยาศัยใช่ไหมผู้ใดที่ต้องการวัตถุทั้งหลายก็ยินดีในในบ้านยินดีในหมู่บ้านเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ยินดีใน คุณธรรมทั้งหลายยินดีในฌานทั้งหลายบุคคลเหล่านี้ก็สแสวงหาป่าซึ่งเป็นที่เงียบสงบเนี่ยนะเพราะา จ, จะได้คือบุคคลทั่วไปเนี่ยนะสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนพระรยาเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่สแสวงหาความสุขทางจิตใจเนี่ยนะสแสวงหาความสุขในด้วยใจที่ไม่มีโทษเป็นใจที่ประกอบด้วยสมถะและวิปัสนาทั้งหลายมันป่าเนี่ยเป็นป่าที่ดอน เป็นป่าที่มีร่มเงาเนี่ยนะเป็นป่าที่สงบเยือกเย็นส่วนป่าเหล่าใดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นประทับอยู่ป่านี้เรียกว่าเป็นป่าที่น่ารื่นรมเพราะบุคคลเนี่ยน่ารื่นรมคือคนดีเนี่ยนะพระอริยไปอยู่ป่าไหนป่านั้นก็ดีอย่างที่ท่านบอกว่าพระอรหมทั้งหลายอยู่ที่ไหนจะอยู่บ้านก็ตามอยู่ป่าก็ตามอยู่ที่ลุ่มอยู่ที่ดอนสถานที่ตรงนั้นน่ารื่นรม เพราะอะไรเพราะคนดีเข้าไปอาศัยอยู่นะนะแปว่าะวะอาศัยคนดีไปอาศัยอยู่ณนะที่ใดสถานที่ตรงนั้นก็กลายเป็นสถานที่น่ารื่นรมไปอย่างเช่นป่าโคสิงขสารวันที่มีดอกอกอกบานสะพรั่งมีกลิ่นหอมฟุ้งขจรออกไปใครอยู่ในป่านั้นมั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ในป่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ในป่า พร้อมกับภิกษุผู้มีชื่อเสียงอย่างองค์อื่นๆ อ, อีกประมาณสามหมื่นรูปโอ้อยู่กันเยอะมากเลยเนี่ยนะยกหัวหน้าเนี่ยนะหัวหน้ากลมมาเฉพาะหรูปไหมคือภาษาลีบทพระโมคคัลลานะพระมหากระสปะพระนรุทธะพระอนะอนทและพระเรวตตเนี่ยนะมันภาษารีบตท่านบอกว่าพระษารีบุเนี่ยนะทักพระอนนทขึ้นมาก่อนเหตุผลเนี่ยเพราะว่าพระอนนทเนี่ยเป็นนวกะที่สุด หมายคือว่าถ้าเทียบในห้าห้าหกรูปนั้นเนี่ยนะพระอนุนนี้ถือว่าใหม่กับเพื่อนทั้งๆ ท, ที่พระอนุนใหม่กับเพื่อนทําไมจึงทักทายพระอ น, นุนตอบว่าเพราะพระสารีบุตรนับถือพระอนุนมากพระอนุนก็นับถือพระสารีบุตรมากพระสารีบุตรที่นับถือพระอนุนเนี่ยนะก็เพราะท่านคิดว่าพระอ น, นุนเถระเป็นอุปถาก ข, ของพระาศาสดาหน้าที่ในการอุปถาก ข, ของพระพุทธเจ้าควรจะเป็นเรา คือปกติแล้วเขาบอกว่าอย่างอางแบบแค่คนจีนก็พูดเหมือนกันใช่ไหมคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ควรจะเป็นลูกชายคนโตทางอินเดียก็เหมือนกันเขาถือว่าลูกชายคนโตเป็นคนที่มีภาระรับผิดชอบในการเลี้ยงดูพ่อแม่ภาษาริบุตรท่านก็มีความคิดว่าในบรรดาสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ควรดูแลในการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไม่ได้ทําเพราะพระพุทธเจ้าสรงให้ไปเผยแผ่พระธระรตมตามที่ต่างๆ มันภาระในการอุปถากพระพุทธเจ้ากลายเป็นเรื่องของพระอนนท์ที่ท่านทําด้วยศรัทธาเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรจึงนับถือพระอนนท์มากเหมือนกับว่าเป็นคนที่รับภาระทำหน้าที่แทนตนเนี่ยนะสำหรับท่านพระอนนทีระเองท่านก็นับถือพระสารีบุตรมากท่านคิดว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นยอดของสาวกเรียกว่าเป็นอัครสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็นับถือพระสารีบุตรในฐานะ อัคระสาวกยอดของสาวกเป็นสาวกรูปที่หนึ่งรองแต่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระอานนเทเถระเนี่ยนะเวลาที่มีเด็กเข้ามาบวชเนี่ยนะมีเด็กเข้ามาในตระกูลหมายคือว่าตระกูลเขาเหล่าใดเขาเลื่อมใสในพระอานนทเขาจะมอบลูกถวายลูกให้ไปบวชอยู่ด้วยเนี่ยนะพระอนนทก็จะให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยไปไปถืออุปชาในสำนักของพระสารีบุตรเถระให้พระสารีบุตรเป็นอุปชาเลย แล้วก็ตัวท่านเองก็จะเป็นกรรมมบาจาให้เนี่ยนะเอาภาษาริบุตรเป็นอุปชาตัวท่านจะเป็นอาจารย์เป็นคู่สวดให้ทีนี้ภาษาริบุตรถ้าตัวเองมีบริวารเข้ามาบวชเป็นต้นก็จะให้ไปนับถือพระอานนท์เป็นอุปชาและตัวเองก็จะเป็นคู่สวดให้ให้นับถือก็เรียกว่าปลูกฝังว่ากลุ่มของเราต้องนับถือพระอานนท์เป็นพิเศษกลุ่มพระอานนท์ก็บอกคิดว่าเออเนี่ยเราต้องนับถือภาษาริบุตรเป็นพิเศษมั้นต่างฝ่ายก็ต่างเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยนะ พัเพราะอะไรเพราะหัวหน้าทั้งสองท่านเนี่ยเมตตากันมีความสมัครสมานสามัคคีกันยกย่องนับถือซึ่งกันและกันเมื่อยกย่องนับถือกันเท่าใดบริวารทั้งหลายก็จะมีเมตตามีความสมัครสมานสามัคคีปลองดองกันฉะนั้นเนี่ยนะทีนี้พระอนุนเนี่ยถ้าหากว่าท่านได้จีวอนประณีตได้อะไรดีๆทั้งหลายคนแรกที่ท่านคิดถึงคือพระสารีบุตรเนี่ยนะได้ผ้าได้อะไรเป็นต้นท่านก็นึกถึงพระสารีบุตรก่อนเพื่อนอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะ พราหมณ์คนหนึ่งเขามีความคิดขึ้นว่าการบูชาพระรัตนะพระสังฆรัตนะเนี่ยนะมันก็เห็นเห็นกันอยู่นะอยากทําบุญกับพระพุทธเจ้าอยากบูชาพระพุทธเจ้าก็เอาผ้าไปถวายพระพุทธเจ้าก็นี่แหละพุทธบูชาแล้วล่ะเจาะจงต่อพระพุทธเจ้าถ้าบูชาพระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ก็มีเยอะแยะภาษารีบุตรพระโมกขลานะจะเอาของสิ่งใดไปถวายพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ยากอะไรเลยเออแล้วถ้าจะบูชาพระธรรมทํำยังไงดี จะทําอย่างไรหนอจึงจะได้บูชาพระธรรมจะบูชาพระธรรมอย่างไรพระนนพราหมณ์คนนั้นก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามเนื้อความนั้นคือถามว่าอยากจะบูชาพระธรรมเนี่ยทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพราหมณ์ถ้าท่านใครจะบูชาพระธรรมรัตนะแก้วคือพระธรรมสิ่งที่ประเสริฐคือพระธรรมจงบูชาภิกษุผู้หูสูตรรูปหนึ่งเถิดเนี่ยนะมันผู้ที่มีความรู้มีความ ร่ำเรียนมามากแต่ช้นในธรรมวิไนัยจงบูชาภิกษุผู้ผหูสูตรรูปนั้นพราหมณ์ก็ถามมาข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระองค์จงบอกภิกษุผู้ผหูสูตรผู้ที่เรียนมากเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าไปถามภิกษุสงฆ์ละกันเนี่ยนะในความเห็นของสงฆ์ทั้งหลายอ่ะใครเป็นผหูสูตรผู้คงแก่เรียนมากพราหมณ์ก็เลยเข้าไปถามภิกษุสงฆ์ถามว่าท่านผู้จเจริญขอท่านจงบอกภิกษุผู้ผหูสูตร พี่สุเหล่านั้นก็บอกว่าพระอนุทเทระสิพราหมณ์พระอนุ์เป็นพระพหูสูตรเรียนมากนะพราหมณ์ก็เลยไปบูชาพระเถระด้วยไตรจีวรผ้าไตรจีวรของท่านมีราคามีค่าพันหนึ่งพันสมัยนั้นก็ประมาณสักแสนสมัยนี้เนี่ยนะพันพันสมัยนั้นกับพันสมัยนี้ต่างกันเยอะเนี่ยนะห่างห่างกันมากเลยแหละคูณร้อยเนี่ยนะคูณร้อยหรือคูณพันนี่แหละ